บทที่สเรื่องของอา Pre c พช t ์วันที่สี่พฤศจินการนปี1960กลางห้องมืดสลัวในกรุงลอนดอนชายสองหญิงหนึ่งกำลังนั่งรออย่างที่พวกเขาปฏิบัติกันมาทุกวันจันตลอดระยะเวลาหปีที่ผ่านมาพวกเขารอให้ใครสักคนผ่านเข้ามาบอกเล่าให้พวกเขาฟังถึงประสบการณ์ที่ไม่มีใครเคยได้่านพบ แต่เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนบนโลกนี้จะต้องเผชิญความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงแหบห้าตะกุกตะกักสำเนียงคอคนี่เครื่องบันทึกเทปเริ่มทำงานเสียงนั้นเริ่มต้นด้วยการพนานาถึงพลทหารนายหนึ่งเมื่อ46ปีท่ามกลางฉากนรกซึ่งเราเรียกฉากนั้นว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ผมเป็นแค่คนธรรมดาธรมดาคนหนึ่งเสียงแหบห้าวนั้นกล่าวและสิ่งที่ผมต้องพูดไม่ใช่เรื่องของคนส่วนใหญ่ขอทราบชื่อคุณหน่อยได้ไหมคะผู้หญิงเอ่ยถามอ๋อเขาตอบชื่อผมไม่มีความหมายอะไรนักหรอกผมชื่ออาร์ฟพิเชตผมไม่ใช่คนโด่งดังอะไรตอนนั้น อยู่ในช่วงปี1917หรือ18ผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะมันนานมาแล้วมีการทิ้งระเบิดอย่างหนักตลอดวันผมคิดอยู่ในใจว่าถ้าผมรอดคงโชคดีแล้วตอนเช้าตรู่เราก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายกองขึ้นไปทางเหนือตอนนั้นผมคิดว่าก็ดีแล้วมันก็ดีจริงๆผมกำลังวิ่งไปข้างหน้า มีพวกเยอรมันกำลังตรงเข้ามาหาผมพวกเขาวิ่งผ่านผมไปเหมือนมองไม่เห็นอย่างนั้นแหละผมคิดว่าพระเจ้าเอาละสิแต่แทนที่พวกเขาจะจู่โจมผมหรืออย่างน้อยก็หันมาสนใจผมบ้างพวกเขากลับวิ่งผ่านผมไปผมคิดว่าพระเจ้าผมไม่เข้าใจเลยผมมุ่งหน้าต่อไปจำได้ว่าวิ่งวิ่งและวิ่ง และคิดว่าถ้าพวกเขาไม่เห็นผมผมก็ไม่จาเป็นจะต้องไปสนใจพวกเขาผมจะวิ่งไปหาหลุมหลบภัยสักครู่แล้วค่อยไปต่อผมจำได้ว่าเข้าไปหลบคูตัวอย่างในหลุมที่เกิดขึ้นเพราะระเบิดผมลงไปหลุมนั้นคูตัวลงและคิดว่าผมจะรอจนความกลาหลนี้ยุติลงและหวังว่าอย่างดีที่สุดผมคงไม่ถูกจับแต่ใครจะรู้ละ่ะ ผมนอนอยู่ตรงนั้นคิดว่าหน้าแปลกที่พวกเขามองไม่เห็นผมพวกเขาต้องเห็นผมแต่กลับผ่านไปและผมเริ่มคิดทบทวนเรื่องนี้ใหม่แล้วก็ได้สรุปว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าต้องอยู่ในหลุมนั้นนานเท่าไหร่อย่างไรก็ตามผมคงหลับไปหรือเป็นอะไรไปสักอย่างเพราะสิ่งต่อมาเมื่อผมรู้ก็คือว่า ผมจำได้ว่ามีแสงสว่างจ้าขึ้นมาตรงหน้าผมไม่รู้นั่นเป็นแสงที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนราวกับสถานที่ทั้งหมดอยู่ภายใต้แสงเจิดจ้านี้ผมมองแทบไม่เห็นอะไรเลยต้องหลับตาและพยายามสอดตามองพร้อมคิดว่านี่คงเป็นแสงลวงตาผมสัมผัสถึงสายลมที่พัดผ่าน แล้วจู่ๆก็เหมือนกับผมเห็นเส้นหรือรูปร่างของอะไรสักอย่างปรากฏขึ้นเป็นเขาโครงของร่างมนุษย์แล้วก็เห็นเป็นเงาๆเห็นเป็นร่างคนเต็มตัวผมเหงื่อแตกพลักเพราะนั้นเป็นเพื่อนเก่าของผมที่ตายไปหลายเดือนก่อนเขาชื่อบิลลี่สมาร์ทเราเคยเรียกเขาว่าโอ i l ลเขากำลังจ้องมาที่ผม และผมกำลังจ้องมองเขาอยู่สักครู่ผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังลุกขึ้นแล้วก็รู้สึกแปลกๆที่ผมรู้สึกเช่นนั้นมันเป็นลักษณะประหลาดเหมือนกับผมนอนอยู่ตรงนี้มาตลอดคืนตลอดวันผมน่าจะเป็นเน็กหรือชาตรงไหนบ้างไม่ก็รู้สึกขัดยอกไม่สบายตัวแต่นี่กลับไม่เลยผมรู้สึกว่าตัวเองเบาเหมือนขนนก ผมคิดว่าเออมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับผมทําให้ผมเพี้ยนหรือเป็นอะไรไปอย่างไรก็ดีผมเดินตรงไปหาบิลเล่ากับว่าเขาเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้เดินเข้าไปหาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนผมมองเห็นเขาเต็มตาเขามีชีวิตใบหน้ามีสีสันพอผมเข้าไปอยู่ใกล้เขาก็เลยนึกได้ว่าเขาตายไปแล้ว แรกที่เห็นเขาผมไม่คิดเลยว่าเขาเป็นคนตายแม้ผมจำได้และระหนักดีว่าเขาถูกฆ่าตายไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนอย่างไรก็ตามผมถูกดึงดูดให้เข้าไปหาเขาเขายิ้มให้และผมคิดว่าตัวเองก็ควรจะยิ้มตอบด้วยเขายื่นมือออกมาผมรู้สึกว่าต้องทำแบบเดียวกันเพราะมันคือมารยาทของการจับมือทักทาย แต่มือของผมกลับเริ่มสัน่นก็มือมันต้องจับกับคนตายนี่ผมเหนื่อยแตกพลักและคิดว่าเกิดอะไรขึ้นผมจะต้องฝันไปหรือเป็นอะไรไปสักอย่างผมได้ยินเขาขยับปากพูดเขาพูดว่าตามสบายไม่ต้องมีอะไรกังวลคุณไม่เป็นอะไรหรอกเพื่อนหมาเธอผมคิดว่านั่นต้องบ้าแน่ๆต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่าง อย่างไรก็ตามผมก็จับมือเขาและรับรู้ถึงกระแสอะไรบางอย่างลอยผ่านมาและก่อนที่ผมจะรู้ตัวผมก็ลอยเลี้ยวขึ้นไปในอากาศทั้งๆที่ยังจับมือเขาอยู่มันเตือนให้ผมนึกถึงสิ่งที่เคยเห็นมาเมื่อหลายปีก่อนปีเตอร์แพนหรืออะไรทำนองนั้นผมคิดว่านี่เป็นความฝันที่ตลกมากผมกำลังลอย บอกไม่ได้หรอกว่ากำลังทำอะไรนอกจากตัวลอยเท้าละจากพื้นสูงขึ้นสูงขึ้นราวกับทุกสิ่งทุกอย่างกำลังไกลออกไปไกลออกไปและผมก็เห็นสนามรบอยู่ข้างล่างในระยะไกลปืนแสงไฟระเบิดสงครามยังดาเนินต่อไปและผมคิดว่านี่เป็นความฝันที่พิกลที่สุดสิ่งต่อมาที่ผมจำได้ก็คือ ภาพที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าภาพของเมืองใหญ่มันโชอทช่วงมากผมบอกไม่ถูกหรอกอาคารบ้านเรือนต่างๆดูจะหัดตาไปหมดผมจะพูดให้สั้นเข้าทัานใดนั้นเมื่อเท้าของผมแตะพื้นอีกครั้งตลาดมากพื้นแข็งผมยืนมั่นจำได้ว่าผมเดินไปบนถนนสายยาวสองข้างทางมีต้นไม้สวยงามระหว่างต้นไม้ มีรูปปั้นสวยๆบนทางเดินมีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาแต่งตัวแปลกๆพวกเขาแต่งตัวคล้ายๆพวกโรมันหรือกรีกอย่างที่คุณเคยเห็นในรูปภาพมีอาคารสวยงามมีเสาและขั้นบันไดทอดขึ้นไปสู่ตัวอาคารส่วนใหญ่จะมีหลังคาแบนเรียบผมจำไม่ได้ว่าเคยเห็นหลังคาหรือจั่วแบบที่เห็นในอังกฤษบ้างหรือเปล่า ดูเป็นสไตล์คอนติเนนตัลและแสงสว่างจรัสตาก็ามาจากพวกนี้คนพวกนี้กับหมาบิลกําลังพูดกับผมเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเกิดอะไรขึ้นกับผมเท่าที่ผมรู้ก็คือผมกําลังมีความสุขอยู่ที่นี่มันดีกว่าข้างล่างมากมายนะผมเสียใจที่จะต้องตื่นขึ้นมาเขาพูดต่อว่า อย่าห่วงเลยคุณจะไม่ได้ตื่นหรอกคุณหมายความว่ายังไงที่ผมจะไม่ได้ตื่นน่ะคุณตื่นแล้วหมายความว่ายังไงกันแน่คุณตายแล้วเหลวไหลผมตอบเขาไปอย่างนั้นผมจะตายได้ยังไงผมอยู่ที่นี่เห็นทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวผมเห็นคุณแต่ผมรู้ว่าคุณตายไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อน เขาบรรจุคุณเข้าโรงศพแต่นั่นผมไม่รู้บินคุณตายไปแล้วแต่ผมกำลังฝันอยู่ไม่คุณไม่ได้ฝันดิวบอกผมอย่างนั้นเขาบอกอีกว่าคุณตายไปแล้วจริงๆคุณได้รับการบรรจุศพไม่ผมบอกผมจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงผมคงจะไม่มาอยู่ที่นี่หรอกถ้าผมตายไปแล้วนะ่ะไม่ทีเดียวหรอกเขาตอบ แต่รูปการก็เป็นอย่างนั้นผมคิดกับตัวเองว่ารูปการอะไรเขาหมายถึงอะไรแล้วจูๆ่ๆผมก็สว่างวาดขึ้นมาในสมองอย่างไรเสียเพื่อกระชับเรื่องให้สั้นเข้าผมเดินไปตามถนนสายต่างๆอันแสนจะมากมายในเมืองอันสวยงามนี้และก็มาถึงเนินเขาแห่งหนึ่งเบื้องหน้าผมเป็นอาคารที่สวยงามผมจะบรรยายยังไงดี เหมือนบางสิ่งที่ผมได้เคยเห็นในมหานครลอนดอนเพียงแต่ที่นี่เป็นสีขาวและสวยกว่าผมเลยเอ่ยขึ้นมาว่านั่นคืออะไรอ๋อเขาอุทานคุณกำลังจะได้พบเพื่อนเก่าบางคนของคุณเราเรียกที่นั่นว่าสูมรับรองอะไรนะผมถามก็คล้ายๆโรงพยาบาล นี่ผมเอ่ยผมไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลผมไม่ได้มีอะไรผิดปกติผมสบายดีและในกรณีนี้ผมก็ไม่เข้าใจอะไรเลยอย่า ก, กังวลเลยบินบอกผมอย่าใช้สมองของคุณให้มากเกินไปนะเดี๋ยวอีกหน่อยคุณจะเข้าใจเองตอนนี้ทำตัวตามสบายเานะก็ได้ผมตอบผมจะทำตัวตามสบายอย่างไงที่นี่ก็ดีกว่าที่อยู่ข้างล่างนั่นอยู่ดี และเราก็เข้าไปในนั้นมีคนมากมายอยู่ข้างในแต่ที่ทำให้ผมสะดุดใจและรู้สึกปแปลกๆก็คือพวกเขาแต่งตัวแบบเดียวกันกับคนหลายคนที่ผมเคยรู้จักแบบเดียวกับที่ตัวผมเคยแต่งสวมสูตรอะไรทํางนองนั้นดูเหมือนผมไม่เคยจําได้ว่าเวลามองพระอาทิตย์มันเป็นอย่างไรผมรู้สึกถึงแสงสว่างจ้ามีหน้าต่างบานใหญ่ ผู้คนนั่งคุยกันมีโต๊ะเก้าอี้แต่ไม่มีเสียงอะไรถ้านี่เป็นโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลที่แปลกแต่ผมว่านี่คงไม่ใช่โรงพยาบาลหรอกทุกคนมีท่าทางสดใสร่าเริงบ้างก็คุยกันบางก็รับประทานอาหารผมถอนใจคิดว่าผมพบเขาที่นี่เขาบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์พวกเขา ไม่ควรทานอะไรผมเลยพูดขึ้นมาว่าดูสิพวกเขากำลังรับประทานอาหารอ้าเขาอุทานสิ่งที่คุณไม่รู้ก็คือเมื่อคุณมาที่นี่คุณจะรู้สึกว่ามีสิ่งที่ต้องดำเนินเป็นกิจวัตรแน่นอนถ้าคุณรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกินหรือดื่มคุณก็ไม่ต้องทำผมนั่งลงตรงโต๊ะตัวหนึ่ง มีคนนั่งรวมโต๊ะอยู่หลายคนพิ่งมาถึงเหรอพวกเขาถามผมใช่เราได้ข่าวว่าคุณกำลังมาคนหนึ่งว่าคุณหมายความว่าไงคุณได้ข่าวว่าผมกำลังมาหรือคุณไม่รู้จักผมซะด้วยซ้ำนั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดเขาบอกเรามีตัวยัอดรแนมของเราผู้ช่วยนะ่ะผมเองก็ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันผมเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนะักอ๋อ ผมเอ่ยปากเพิ่งมาอยู่หรือใช่ดีมากด้วยดีกว่าสิ่งที่คุณเคยบอกเราข้างล่างจริงไหมล่ะคุณหมายความว่ายังไงคุณก็รู้ว่าคนข้างล่างเขาบอกเราว่ายังไงเกี่ยวกับสวรรค์นรกแล้วก็พอถึงบทจบพวกเขาผิดหมดก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่าใช่เขาบอกทุกอย่างพวกนั้นถ้าคุณดีมากคุณจะได้ขึ้นไปอยู่ชั้นบนสุดและถ้าคุณไม่ดีเลย คุณจะลงไปอยู่ในห้องเก็บของเก่าๆพวกเขาเข้าใจผิดเพื่อนที่นี่เราก็เหมือนอย่างที่เราเป็นเพียงแต่ดีกว่ามีความสุขทีเดียวพรุ่งนี้เขาพูดต่อผมจะไปจากที่นี่อะไรนะคุณจะไปไหนอ๋อเขารับคำผมจะไปหาปู่ย่าตายายของผมแน่นอนแน่นอนเรื่องนี้จี้ใจผมอย่างจังแต่ผมคิดว่าก็ดี ผมควรครบหาติดต่อกับพวกเขาไว้และคุยด้วยภาษาเดียวกันหลังจากนั้นถ้าผมต้องอยู่ที่นี่อย่างที่พวกเขาว่าผมก็คงจะปรับตัวได้ผมเลยพูดว่าแล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนล่ะผมได้ฟังมานะเขาว่าพวกท่านอยู่บนชั้นนี้อย่างที่พวกเขาเรียกกันมาที่นี่แต่ไกลออกไปและจะมีคนพาผมไปที่นั่นดีจังใครจะพาคุณไปล่ะ ก็คนนำทางของผมคนนำทางเหรอใช่มีหนุ่มนิสัยดีคนหนึ่งที่นี่อย่างที่พวกคุณเรียกเขาว่าสัจวรนั่นแหละและเขารู้เรื่องเบื้องหลังของผมพอสังเขตรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับผมเขาได้รับงานให้เป็นเพื่อนผมไงละ่ะตอนมาที่นี่คุณสังเกตรหรือเปล่าว่ามันแปลกยังไงตัวคุณเบาแค่ไหนตอนที่รู้สึกเหมือนตัวคุณกําลังลอยได้นะ่ะใช่มันแปลกมาก นั่นคือวิธีที่จะใช้พาคุณไปเราจะไม่เดินเรากำลังไปผมคิดว่าคนอื่นคงเรียกว่าเหาะไปดูเหมือนคุณจะเข้าใจแล้วนะคุณทำอะไรอื่นได้อีกผมถามมีคนบอกคุณว่าคุณตายแล้วผมอยากรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ดีที่สุดผมจะได้ทำตามประพฤติตนตามนั้นอีกอย่างเราไม่เคยรู้เลยว่าจะมีใครมาตัดสินที่ภาษาเราอ้าเขาร้อง ไม่มีใครมาพิภาคษาคุณหรอกจากสิ่งที่ผมคิดได้เราพิภาคษาตัวเองตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ผมไตรตรองถึงตัวเองย้อนกลับไปในอดีตเก่าและแปลกใจคิดถึงสิ่งต่างๆสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเดียวที่เราต้องทำคือพิภาคษาตัวเองเราเรียกว่ามโนสํานึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณเองผมก็มีคุณก็มีเราทุกคนมี เท่าที่จำได้สิ่งเดียวที่ผมทำผิดจริงๆคือจับแมวถ่วงน้ำอ้ออีกครั้งก็คือกินเบียร์แล้วไม่ยอมจ่ายเงินเพราะคนแน่นมากแล้วเขาก็ลืมผมเคยไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ผมไม่คิดว่ามันเลวร้ายอะไรไม่เป็นไรหรอกเขาบอกอย่าห่วงเลยผมอยากกลับไปผมบอกเขาและดูคนของผมดูว่าพวกเขาเป็นอย่างไรผมสงสัยว่า พวกเขารู้หรือเปล่าว่าผมตายแล้วถ้าคุณต้องการจะกลับไปอะนะเขาตอบก็จัดการได้ผู้นําทางสักคนที่ได้รับมอบหมายเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้คุณได้แน่แต่ว่าคุณอาจจะยุ่งยากใจนะผมคิดงั้นเพราะพวกเขาจะไม่สังเกตเห็นคุณเลยผลจะเป็นยังไงน่ะเหรอคุณกลับไปก็ได้ขอประตูห้องภรรยาของคุณ หรือคุณอาจกลับไปตบประตูห้องบาทหลวงเท่าและเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าคุณมาเพราะเขาก็บอดสนิทเป็นข้างค้าเหมือนกับคนอื่นๆถึงเวลาที่เพื่อนผมที่พาผมมาที่นี่เดินมาหาและบอกว่าผมอยากให้คุณดูอะไรสักหน่อยผมตอบว่าได้เลยเพื่อนและเดินไปกับเขาเขาพาผมเดินไปตามถนนผ่านบ้านหลายหลัง ดูสะดุดตามีระเบียงเล็กๆดอกไม้สวยงามจนเรามาถึงสุดถนนก็ถึงแยกจัตุรัสมีน้ำพุขนาดใหญ่อยู่กลางสี่แยกผมได้ยินเสียงเพลงเพลงไพเราะสนอโอโสดและผมก็คิดว่านี่มันช่างวิเศษจริงๆมันเตือนให้ผมนึกถึงวันเก่าๆตอนที่เคยนั่งอยู่ในสวนสาธารณะฟังดนตรีบรรเลงเหล่านั่งอยู่ตรงม้านั่งเล็กๆใต้ต้นไม้ แล้วเพื่อนผมก็เอ่ยขึ้นมาว่าคุณจะพบว่าที่นี่สงบเหมาะแก่การทักผ่อนคุณแค่นั่งตรงนี้ผมจะทิ้งคุณไว้สักพักแล้วจะกลับมาหาเองผมนั่งหลับตาอยู่ตรงนั้นฟังเพลงจากนั้นจูๆ่ๆผมก็รู้สึกว่ามีใครคนนึงกำลังนั่งลงข้างๆผมผมลืมตาและก็พบสุภาพสตรีสาวสวยคนหนึ่งเธอมีผมสีทอง สวยงามอายุราวๆสักสิบเก้าหรือยี่สิบผมตะลึงเธอเรียกชื่อผมผมคิดในใจว่ามันตลกดีเธอรู้จักชื่อผมแต่ผมกลับไม่รู้จักเธอเลยคิดว่าที่นี่ดีไหมเธอถามผมดีมากผมตอบขอบคุณนะครับคุณเ อ, อ่อไม่ต้องเรียกฉันว่าคุณหรอกนี่ไม่รู้จักฉันเหรอไม่ผมไม่รู้จักคุณ ฉันชื่อลินลี่ลินลี่เหรอผมไม่เคยรู้จักใครชื่อลินลี่ไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะฉันเป็นพี่สาวคุณฉันตายตอนที่ยังเป็นเด็กทารกพัดเจ้าผมอุทานผมจำได้ว่าแม่เคยพูดถึงเด็กสาวตัวน้อยที่เสียชีวิตไปตอนอายุได้ไม่กี่วันแต่คุณจะเป็นพี่สาวของผมได้ยังไงคุณโตแล้วนะก็ถูกละ่ะเธอบอกฉันเป็นพี่สาวของคุณ ฉันตายตั้งแต่อย่างเล็กและฉันมาโตที่นี่ผมแปลกใจมากตอนนี้ฉันมาดูแลเธอเพราะเธอมาอยู่ที่นี่ฉันจะพาเธอไปบ้านบ้านเหรอผมทวนคำใช่บ้านโอเธอพาผมไปจากสี่แยกนั้นเดินไปตามถนนสายกว้างมีต้นไม้ขนาดเป็นแนวสองข้างทางเราเดินเคียงกันผ่านเนินแห่งหนึ่ง และออกมาสู่ย่านที่เป็นชนบทเรามาถึงกระท่อมหลังเล็กๆหลังหนึ่งหน้าตาละไม้คล้ายบ้านทรงกระท่อมที่ผมเคยเห็นในอังกฤษเธอหยุดอยู่ตรงสวนของตัวบ้านที่มีประตูรั้วเล็กๆมีหน้ามุกและประตูบ้านมีดอกไม้สวยๆเราเดินเข้าไปผ่านประตูมาสู่ห้องเล็กๆดูอบอุ่นสบายเก้าอี้น่ารักไม่มีเตาผิงไม่เห็นมีเตาผิงเลย ผมติงไม่เธอตอบเราไม่จําเป็นต้องใช้เตาผิงเพราะอากาศที่นี่อบอุน่นเรื่นลมอยู่เสมอดีนี่ใช่ไหมไม่มีฝนตกเหรอไม่ไม่มีฝนตกแต่บางทีก็มีน้ําค้างเรานั่งอยู่ตรงนั้นคุยกันเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่และน้องชายของผมซึ่งยังอยู่บนโลกเธอบอกว่าเธอไปพบพวกเขาบ่อยครั้งนั่นรวมถึงตัวผมด้วย ตอนผมยังอยู่บนโลกเธออยู่กับผมมาตลอดหลายปีแห่งสงครามเธอไม่สามารถเธอไม่ได้อยู่กับผมตอนผมตายแต่เธอก็เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับผมเมื่อรู้ว่าผมกำลังมาและผมก็มาจริงๆผมคิดว่าที่นี่ดีจังแล้วก็คิดต่อผมไม่รู้มันแปลกแต่ผมก็ปรับตัวได้และอยู่กับพี่สาว บางทีผมคงจะมาอีกและเล่าให้คุณฟังมากขึ้นมีเสียงบอกว่าหมดเวลาแล้วผมต้องไปละบ า, บายยเสียงของเขาค่อยๆแผ่วเบาลงและเงียบหายไปมันมาจากไหนมันเป็นเสียงของทหารที่ถูกสังหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจริงหรือเปล่ามีบันทึกของทหารอังกฤษทุกนายที่เสียชีวิตและถูกฝังไว้ในดินแดนที่เกิดสงคราม บันทึกนี้เก็บไว้โดยคณะกรรมการฝังศพผู้ร่วมสงครามเครือจกกักรบพบอังกฤษที่เมสเดนเฮดในเบอร์ช i r e ร์พริเชตไม่ใช่ชื่อธรรมดาหาไปได้แค่สีแฟ้มก็พบแล้วรหัสพนทหาร9023เอพริเชตแห่งหน่วยพลปืนเขาถูกสังหารเสียชีวิตเมื่อปี1917และถูกฝังไว้ในสุสานโพลิสชาโตลอน ห่างจากไอเฟรชไปหนึ่งไมล์เขาเป็นเจ้าของเสียงที่เล่าเรื่องความตายนี้ให้ฟังจริงเหรอเขาให้ร่องรอยสืบสาวไปอีกคนหนึ่งชื่อของเพื่อนเก่าและเป็นผู้นำทางของเขาด้วยบิลลี่สมาร์ทจากบันทึกปากคำของพิเชตเขาเสียชีวิตก่อนพิเชตได้ไม่กี่เดือนสมาร์ทเป็นชื่อที่ฟังดูปกติธรรมดาสำหรับนายทหารในกองทัพอังกฤษ มีคนนำสกุลสมาร์ทถูกสังหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นร้อยๆและมีคนชื่อวิลเลียมเป็นสิบๆหนึ่งและเพียงหนึ่งเดียวที่จะปฏิปต่อเรื่องซึ่งเล่าโดยเสียงที่อ้างว่าเป็นพริเชดนั่นคือพลทหารรหัส20394วิลเลียมสมาร์ทพลปืนกองทหารราบถูกสังหารแทบอาลาในปี1916สิบ เรื่องของพิเชษเป็นหนึ่งใน500เรื่องซึ่งถูกบันทึกเทปไว้โดยจอร์จบูดกับนางเบตติกรีนแห่งวอร์ทิงซัสเชโดยตรงผ่านทางล่างขนส่งชื่อเลสลี่ฟลินท์และนี่คือหนึ่งใน500ที่อ้างอิงได้และถูกเก็บรวบรวมไว้ในห้องสมุดเพื่อจะบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น